เนลอนี้ก็มาจุลาร์แต่ว่าสาคัญเป็นั่งเป้าเป็นแบบนันงสิเลยกินเล ย, ยเขียนเขียนเลขสวยเวยลามันบันลมือท่านสวย อยู่เดินนะลูกเอ้ยไอ้น้องน้อยเยอะเท่าไรแล้วออไอ้น้เอ้ยบุญมั่งสั่นยืนนะลูกนะเออต่อไปเป็นซื้อแก่งแข้งตัางสองๆอัอบแตมือลูกแบบเออเก่งมากเก่งเออเก่งแข่งแข ถดีขึ้นพอคืนมาที่สิบเก้าเริ่มโปรง่งยี่สิบเมื่อวานมันซึนนิดเรินโปร่งขึ้นมเมื่อวานนี้เอกนะาวาันนี้ดีดีขึ้นมากแต่โรคของพ่อท่านยาบอกล่วงหน้าไว้สีห้าวันว่าจากวันที่ยี่สิบเวลาจะก็ค่อยดีขึ้นพอถึงที่ยี่สิบเริ่มโปรง่งแล้วยทุกอย่างที่เคยเคยเฟียดนะ ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงมากดังนั้นเดินมานี่ก็งงเดินนี่ก็ยังเังเซย์อยู่ดีกว่าไ ม, ไม่งงเดิน <c oughs> ที่สิบเก้าเที่ยี่สิบนั่นลองไปเดินที่โรงเรียนพอไปไหวงนั้นเดินไม่ไหวเดินมานี่ก็แย่ สองสายไอ้สองคนจะรวยเปล่าฮไอ้ต่อยมาที่สามสิบเลยแล้วหวยออกที่เท่าไหร่ที่หนึ่งอ๋อเอาเลยมาน้ำเทกระเป๋าแล้วไปขาก็ขายเน <c oughs> <c oughs> ี่ย <c oughs> อ๋อท <c oughs> ี่มีเสียง <c oughs> มันหมอบไปกิงั่วตัว มันหมอบใหญ่ด้วยสิไม่ไม่ใช ห, หมอบเล็กไม่ใช่หมอบงหงายท้องพลึงเลยมันแปลกนะไอ้ยอดหลังเนี่ยไอ้ทีมหมอบใหญ่กันนะ่ะมันก็ให้ยันกันหมดเลยนะอาจารย์ที่เก่งๆไอ้เก้าอะไรกันเจ้าหก มันหมดเลยให้ยันกันหมดทุกอาจารย์แล้วก็ยืนยันเลยนะถ้าว่าให้หลวงพ่อดูเพอเขาดูเขายืนสายไม่ได้ครอกไปถามใครมามาก็บแบบนั้นอยังเล็กแล้ ว, วถ้ามากแบบนี้ต้องคิดถ้ามากเนี่ยไม่เกินวัสนาบารมีหรอกถ้าเกินวัสมารมันมันเป๋คือว่าไม่ใช่เจ้าหาเลขล็กเลขล็อกเลลจ้ามือเป๋ไม่ใช่งี้ย เขาเปมนจะข้างบนนั้เลยบอกว่าไอ้คนที่ไม่ควรจะได้ไปได้แต่เขาให้ไม่ได้ถ า, ถามว่าถ้าคนแค่มีลาภก็มีบุญผมว่าน้าต่อไปก็มีดิของมันจะมีไม่มีครั้งเดียวใช่ไหมนี่การเล่นเสี่ยงโชคอย่าให้มันย้ายหนักเกินไปอย่างพระพุจงเนี่ยมีผู้หญิงคนจะมีลูก5าคนหัวใจ บ้านอยู่กับตอบเล็กน้ำก็ท่วมแบะแแ่พื้นบ้าน <c oughs> ไปหาท่านให้ว่าให้มปตรงตรงสามตัว <c oughs> นี่ตอนบ่ายท่านนึกขึ้นมาได้ท่านพายเรือไปเองพายอพายไปข้อฝ า, ากกปีนู้ยนูเลขทีกก่ท่านปู่ให้มาแนละ้วถูกไม่ต้องกลับลูกแต่ว่ายาเล่นเกินห้าบาทนะลาบเองมีแค่ห้าบาทถ้าเกินห้าบาทไว้จิน ยายเขาได้ ก, ดกินก็ดีเล่นงแค่ห้าบาทเลยได้พอลุงขึ้นหลวงพ่อไปถามแลวงพหอะไรบอกถ้าเกินเกินคนเดียวข้างบนเขาบิดเลย <c oughs> <c oughs> เกินศาสนานะเรางิปไปตามนั้น <c oughs> อย่างวนจุฬาท่านดีแต่ไปนั่งมุงทประสาทเสียหมดมั้งเองไปคนมากไหม เออไม่งั้นกินข้าวก็ไม่ค่อจะลงเอออืมนั่นๆมันล่อกันหมดจะกินอะไรมันก็เป็นหวยหมดอืมจะนอนก็ไม่ได้นอนกินก็ไปแปลงกินนอนไปแแปลงนอนเออ แต่ความจริงานักเล่นหยวยสำคัญเห็นพ่อเสือเื่อเสือขนาดทาช่องเล็กๆแล้วก็นวดน้ำบางเป็นตับนึกคล้ายก็ไปได้ไปเข้าหว ย, <c oughs> ยบางโบราณเที่ยวยิติยานานนั้นนะตอนนี้ก็เสือตายไปแล้วก็ตายไปแล้วสือเข้าทรงแล้วเนี่ย ไมืองไทเขากลียน้องเสือก็บอกก็ไปหาผู้เสือแล้วนึกเอ๊ะผูเสืยอยังอยู่เอาส่งแต่อบอกเอ๊ไอคนนั้นมันไม่ได้มาคนเดียวนี่หว่มามาีหมามาด้วยไอเจ้ตัวเองก็เจ้เจ้เจ้าตัวเอง ก, ก็ไปคนเดียวไปเองมันมีหมามาด้วย ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ ร, รู้พจน์สุดออกมาได้หมาออกมาเยวัฒนะ์ท่านหมาแสนรู้เตอว่าตำรวจไม ใ, ให้หวยนะแต่หมาจริงๆนะเรื่องเลขเกี่ยนพจน์หนึ่งเกียนอะไรวะ186อ๋อ เดี <chat> ๋ยวจะเออเดี๋ยวดูทีก็ดูเฉยไม่รู้เขาละหวยไม่มีเรื่องอะไรคีอ๋อ เลยเรีย น, นท่านาเง็น่ะินอันนี้กแบบ็แบบแบบลร์เจลบ ก, กันปเป็นเหมือนข้ออาจารย์อะไรองค์จะต่ดเงินแตม ยายจันก็อะไรป่วยคนไร่ฟังาวนะ้ตัดเนี่ยแล้เาอานั้นเป็นห้าจหนึ่งเขาไม่มีนะเขาไปหามากันใครจนเช้าเลยมาดิสิเออจเนอลองดูงนะของเขาเขาก็เคยแม่นนะมาว่าไงจันอะ ลานต้นเตียตงต้นเตียนะงอ่ะใกล้ใกล้ไกลไกลนี่ขนคว่างเรานอนไงมาไ ง, าไงเจอผัเอบเตียงมอนบ้ า, บาได้ไมเ อ, เ, อเอาเอาเอาเรียงลองล อ, งลองเปิดเปดเบื้องมอนเนบะ้องมัน ก็ใช้ได้ครเา้าคุณพาไปทางมอนได้เหล่าเพลงห้อยหวนะมันเดอนเออเยอคุมพาทำศพกลางเดือนแต่ถ้าสองสามเพลงสลับไปผ่าไพผ่าผมไม่ได้หยิบเพลงหรอกใอ้มันมีตางโศมีเพีย ม, มอยเขาเถยงทึงได้แล้วก็เถยงถึงได้นี่บางงานที่แล้วมาเขาชมมากอะ่ะดูโยรวาทิศนี่คนชอบใจเยอะเออดี ดเด็กเราสนใจดีทํางั้นนะเราก็สามสี่เพลงอะ ไ, ไรมนะีอะไรเใอหน้าใจก็ค่อยๆไปอยู่หลายวันแล้วกลางกลา ง, งเดือนกุมภาพนะันธ์เสองสามเพลงก็พอเพื่อคขึ้นเกนม้อนเลยแต่ว่าเออดูยอวสักหมืนหมนนื่นเหมือนกัน<ม><ม>ค่อะไรได้เนะ ได้มอนแล้วก็แดนเป็นมอญเลยแล้วก็พอดีไอ้สายเหนือทีห่หามอญฟังมอญมันก็ได้ถ้าเกตดรูปเปล่าหรอพิพาษเนีปเปนเ่ยแต่ก็มีอะมอนฮะใช่เปล่าทาเหนือมันไม่ไม่ใช่พิพามทมาตรฐานมันล่งเด้งนุงเด้งมั่งเหหพิพาทต้องตั้งแต่สิงห์บุรีลงไปที่ยึดเจ่งพวกเขาเขาว่ า, าชันกัน อันนี้เขาใช่ใช่ต้องเลยนะครับเขมือหนึ่งละเขจัดเพราะว่ามือประชันนะทีไอมือประชันมันไม่หนึ่งไม่ได้เลยตัดีเขาเก่งมาใช่ใช่ดีขโมยกันไอ้ก็ตอนอย่างนั้นนักดนตรีนักเทศเหมือนกันขโมยมือมึงขโมยกูกขโมยมึงหลอกเล ไม่งั้นมันเอาดีไม่ได้แล้วไม่ผิดหรอกผู พ, ร พ, ร พ, รพรารครักจำยังดีโดยไปไหนบ้านไหนโยมรประการหลยอ๋ออ้ยปลานี่ตัวใหญ่โชคดีโอโลถมาเลยเออโชคดีเลยจกจะ้ะเออม็มีความปริสุทรงบัติกลับไปรวยๆมากๆนะ อาจจะไปกินไปโตตามเดิมนะไม่ต้องกินข้าวอ่ากินกินไปโตแทบไปโตนะไม่ต้องกินข้าวอ่าเช่นดีๆีคือนึกขึนน้นมาได้นึกถึงจารนแต่จารย์มาพอดีนี่เว้ยถ้าไปหมอนต่อสองสามสิบเพลงก็พอ ค่อยๆไปจำเพราะดีนะยิ่งยิ่โยรวาทิตย์ยิ่งเพราะใหญ่หมอนเสียงมันลากใส่ตาตบายฟาดม้องตีจิกใช่ไหมอันนี้เราล่อผนสบายเออดีนั่นเลยเออดีนั่นเลย เขาเหมาะกับวันเสี้นั่นเลยเออดีๆๆจกแๆกดีๆเลยดีๆลยไอ้หนูมีอะไรเลยนะมีชีราอะไรเปล่าฮะที่นี่ะที่นี่ข้าวยากลกต้องเขามีระเบียบ ต้องมาตาระเบียบเขาจะได้ไม่ได้มันก็สร้างครูเขาเต็มมันก็ไม่ได้ประการที่สองก็ไมต้องมีตาระเบียบนะะฐานพ้พ่อหรือพ้อมไม่ได้เรื่องของครูก็ต้องเรื่องครูเขาไม่ระเบียบกันแบบไห น, นจบอะไรมาฮะก็เขาก็เสอนต้องที่เรื่องทยังไม่อัตราก็ยังไม่ว่างเลยลูกเด็กก็ยังน้อยอยู่ กระบวนการที่สองต้องไปถามทางโรงเรียนเขาเขาระอันดับไหนใช่ไ้ยต้องไปปรึกษารโรงเรียนเขาจบจกที่ไหนนะฮะหรไม่เพียนเหรออ๋อยังอาจารย์เข้าไปบ้านเนี่ครูเขาเพ่งส่งมาวันสองคน ทางอนอนทโรงเรียนนี่เปนของทางราชการนะไม่ใช่ไม่ใชโรงเรียนลาดหรอกจะเป็นเรื่องทางราชการเขาหลวงพ่อเป็น เ, นเนจ้าของพื้นที่ท่านั้นเอง แล้วแต่ว่าเครื่องยังใช้ไม่ได้เป็นไหมนะฮะยังยงังเป็ไหมก็สร้างเลเดี๋ยวก่อนมันซื้อนี่หมอเป็นสงเข้ามาก็นึกว่าจะเสร็จแต่น้ำไปไม่ต่อ่อไม่เสร็จนล้วก็ช่างฝั ง, งช่างไหมอืนมันตีครึ่งแล้วนะ อันเลยแต่คนจะเป็นไฟเมื่อบอกไฟอ๋อเดี๋ยก่อนเขาสั่งช่างให้ทำไ้แล้วเขาเอาช่างมาตัวจอีกทีหนึ่งหรือ mm. ว่าช่างช่าง่างเครื่องนะเขาเขาต้องมาเช็คอีกทีหนึ่ง ต, ตัวนี้ก็นคงทำได้ละตั้งไม ป, ปีครึ่งพอจะเปิดาดีเครื่องเสีย ที่ส <gesch> น <uce> ิมกินให้โปร่ขึ Jim, ้นวันนี้ไอเสี้ยตีนนั่นถ้ากล่องกระดาษวางเฉพาะลืมบอกเข้าไปหน้าฝนที่กล่องกระดาษวางกัพื้นไม่ได้พ่อจึงต้องทํำตู้มีขาเมื่อก่อนรวางกับพื้นโปร่งขึ้นแรงชื้นถ้าไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นกินแต่กล่องไม่กินเครื่องมือ กำแพงวัดดีกว่าแต่ังนั้นไม่เท่าไรมันน้อยไปตดกำแพงวัดจ ส, สวย หมอหมอเขาเป็นคนบอกไอ้หมอทีวนั้นหมอใหช่างทําเราก็สร้างจริงแต่หมอเขา ส, สั่งการใจหมอเขาไอ้หมอเขาไม่รู้เรื่องไอ้หมอนี่รู้สึกมันเป็นสนใจน้อ ย, อยมันซึมซึ ม, ซ ม, มงเงดูคอนเทนต้องเป็นประตูฝรั่ง้วก็ประการที่สองต้องมีม่านเพื่กเกียจไปิดกาหายมัน ไอ้หนูโรงเรียนนี่เป็นในรัฐบาลนะจะสมัครกับพ่อไม่ได้ดิผิดเข้าเต็นิกผิดแล้วะ่ะรัฐบาลต้องสมัครผ่านหน่วยงานนะไ อ, นะอ้เรไปงานนู <c oughs> เวมาไงจ๊ะจะกลับเลยอ้โจดีม oh, ีส oh, ุขจดเออจนสุขจนสุขนะจ๊ะอ้อหน้อมน้อยเอยเออโจดีมีสุขถูกจ้ะบ้านอยู่ไหนหนูบ้านอยู่ไหนอ๋อ เรื่องของบบรัฐบาลลูกมันเฉยไม่เจ้าเรียนลาดอ่ะพ่อรับไม่ได้รับมาหาที่เขาไม่ได้นะอ๋ะนะอไม่เป็นไรนั่งคุยไม่มีใครนั่งคุยคยูไม่มีเส้งคุยฮึแค่ในนี้เส้นคุย o okay. k กระดาษยิงศอกก็ข้ามตัวเลยนะาบาะทีลืมตามรับลืมรูปต้องรีบเลยนะใช่เรื่องหนี้เป็นเรื่องจริงเพรว่า <c oughs> ถ้าฝันแล้วต้องรีบจบทันทีไม่งั้เสือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนถ้าว่าฝันนี่มันต้องตัวใครโดนมันแต่เราเขียนไปแล้วใครจะตามในเรื่องของเขา ก็ไม่บอกว่าฝันว่าชอบใจตัวนี้จะเลือ่องเงี้ยนะให้ยตามในเรื่องของเขาจะพูดไม่ได้คือนี่ฝันให้ป็นตัดมาไออิทจะมาให้หลังเจองพ่อไออิทอะไรเมื่อไงอะไรห้าเก้ า, าห้า ใเด็กก่อนเดกก่อนเพิ่งอิดเอิดเมอ ก, ก่อนเคยสันน้ำเปล่าเคยฝันว่าไงที่อะไรก็ไม่รู้เมื่อก่อนู้นไหนงวดมันออกเป็นสามวาจำไหมนั่นจำมันมันจะเหมือนกันถ้าฝันนั้นเคยขาดแล้วเคยเกินให้มันมันฝันมันฝันด้วยนั้นมันเกินเกินเหมือนแต้ม พอเรียบมเกินหนึ five, ่งแจมเองต้องตัดลงห้าเก้าห้าเก้าถตัดลงก็ต้องเป็นแปดห้าแปดห้าสี่นะแล้วแล้วแล้วเก้าสี่ต้องตัดเทตัว การที่ตัวเราไปเรียงกันไว้อีกบบตัวมาะตะอีกตัวเรียงนขนเรื่องหนึ่งก็ไม่เข้าใจไม่จะเป็ีข้างบนข้างล่างกันไปหรือ่างพทกาานไปต้หนหน้างข้างล่างข้างบนให้กันไ่บอกนะฮะ อยไปไหนไม่ได้เราใาข้างนอกสิครับหืมใส่เป็นประชานลอยน้ำหนักม่นไทุบสลบอแบบทุบกระซึ้งเสียไปไม่ไหวก็ับทำหนักแล้ขนาดหนักนะไอ้ก่อนดีไม่ดีทุบบัวทุบไฟอ่ะไอ้พวกทุบบัวทุบไฟกินอ่ะ มันยังอจจะมไปตัวประยัดประยัตายมันยากเ น, นนะอะกดกดควกรรมมันกดเบ็คเต็มที่เนี่ยราะนั้นมันทำอะไรไม่ได้หรอกเรื่องกดควบคุมไม่มีทางหลีกเลี่ยง ให้เล็กซองคนคือสมัครเป็นครูไอ้เทคนิคนีน่นเป็นครูเลยอ เ, เ, เออเอะไรขางานแข่งตอนนี้เป็นโรงเรียนลาดห<ะ> <c oughs> ลังรับไปละมาครูมากกว่าลังเรียน <c oughs> ใช่ไหมครูดเด็กนี่ก็สอนไปไม่รอดหลอกเวลานี้เขารับเป็นยาวแล้ว ฮะนรสาเจียงใหม่อู้คาเมืองดีเออเ <c oughs> จ้าเออพ่อ พ, พูดในสองภาคฝั่นเหนือพ่อยสั่นสา่น่อยทา้หนอเจ้าให้ค่อยเด่ยมาจากข่าน้อยเจ้าเาินจากข่าข้าเจา้าแม่ ค่าน้อยมันคงเวีนกันคุณเจ้าครัวมกี่ปีสองสองโอ้โหหายหมดแล้วทาไมอ้าวนั่นนั่นดวงดีมากเหรอนั่ดวงทะเลาะไหมแค่กัดวงช่างพูด <c oughs> เออใช่ได้ใชใช่ได้ใช่ได้เองมันไม่ทันใจข้ามดูเลยแเขาเเห็นเก่งเกินไปแล้วผมต้องใจคนเก่งไม่เท่านี้ครูดืมนเยอะวันเขาสมรับสมัครสามพันแล้วแปดพันครสมัครใหกว่า ไอเด็กที่ใช้นาดมันเพียงมันบนพ่อสี่องค์มาสอบได้คนที่หนึ่งได้ได้เป็นคนที่หนึ่งรอมันแก้บนแม่พา่าแก้บนนี่เป็นคนที่ร้อยเขาตาเขาต้องแลกพัน 1, คนที่ทเล็กนะคนที่หนึ่งร้อยมาทิไกลไปเลยนะไอคนที่หนึ่งพันยินชนะไอจิ0พันใช่ไหม ไม่คุณเลยทำไมจ้นนจนนจนนนะตุกดีมีตุกนเออเอาไม่ังไหนกูวันเลยไปไหนมาล่ะทำไมยังไม่หมอเหรออฮะ มีอะไรคุยไหมล่ะใครพูดทำงานทำงานอะไรทำไรโอ้โควิสีจะห้ามมาวัดนี้วัเช้า มาเช้าได้พงมาแ้พาสีมูลนิธิเดี๋ยวไล่ไปเลยมาเก็บกระสีจะมาเก็บกระสีเปล่าล่ะอ๋อไม่เป็นไรใจคิดว่าจะมาเก็บกระสีแหมเอาพวกไม่ถูกกันมาเลยดีดี อ๋อดีดีไม่ใช่พลาดมาไม่ถึงแม่เกือบทุไลเลยยอม เกือบกือบเูไลเลยแม่จะเราไลเราเสียฐานดีการการจะอ่านธรรมะต้องในจิตของกุศลถ้าอารมณ์ไม่เป็นกุศลอยู่ก็ไม่อ่านธรรมะไม่เห็นใจอ๋ออ่ นั่นเลยโอ้โหแ้าตเจ็บใจที่เกิดมาให้อาจารย์เราตายไ อ, อ, อ, อ้มาแปลมาสะพดมาปูปันเลย <c oughs> ลดี คุณจิตใจเป็นกนุศลดีนะนต แ, นแต่คนอ่านหนังสือธรรมะถ้ารู้ไม่เป็นกนุศลไม่อ่านเลยคุณอ่านไม่ได้เล่น ไ, ได้ใช่รู้่ะไป อันนี้เรื่องจริงๆนะคือว่าธรรมะพระเจ้ามีแปดหมืนสี่พันประดมขันคนเราไม่ต้องปฏิบัติทั้งหมดมันเลือกเฉพาะธรรมขันใดธรรมขันหนึ่งที่ถูกประจัยตัวเองที่ทัาบาเอื่อยเขาเขียนมาไม่ตรงกับเรานเราชอบเปรี้ยวดันไปเขียนเค็มก็ให้เห็นไหมเราชอบเค็มเขามปเขียนเปรี้ยวก็ เ, เลยไม่ลงกัน แต่าบางคนเขียนก็อ่านยากเหมือนกันน ะ, ะพัะมาเองที่ต้องวางมือันมันเขียนไม่ลงตัวใช่โอ้เสร็จที่ผมเสร็จฮึฮึโอ เคยเปนนักเทศมาบ้างหรือว่าในคนเขียน